วันนี้ก็เป็นโอกาสดีแล้วก็ขอโอกาสได้มาทาหน้าที่เป็นอุปกรณ์ให้พระธรรมคนเราเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรหรอกมีเรื่องของกายเรื่องของจิตกายจิตมันก็นเหมือนกันนั่นแหละประสบการณ์ต่างๆเนี่ยเราจริงสามารถที่ไปใช่ร่วมกันได้ต้อขอให้ลองเอาไปพิจารณาดูนะพูดหลายครั้งก็พูดอยู่เรื่องเดียว พูดเรื่องการปฏิบัติธรรมบางคนฟังบ่อยๆว่าวันนี้อาจารย์จะพูดเรื่องอะไรผมก็ผมพูดอยู่เรื่องเดียวเรื่องซ้ซําๆเรื่องเดิมๆเรื่องของกายเรื่องของจิตเรื่องของการปฏิบัติธรรมก็อยากจใจทุกท่านเนี่ยได้เรียนรู้วิธีการแก้ทุกข์โดยเฉพาะทุกทางใจทุกทางกายเนี่ยอันที่จริงแล้ว คนเราเนี่ยมีสัญชาตญาณเหมือนกันจะว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่สัตว์ก็มีสัญชาตญาณแก้ทุกทางกายด้วยกันทั้งนั้นเวลาหิวก็หากินเวลาง่วงก็หาที่นอนเวลาป่วยไข้ก็หายารักษาอันนี้ไม่ต้องสอนกันก็ได้แต่จิตเนี่ยบางครั้งมันเป็นเส้นผมบางภูเขาบางทีได้ฟังนิดเดียวนั่นน่ะทให้เส้นผมนันหลุดออกไปได้ ด้านจิตด้านใจอย่างน้อยเราก็ต้องช่วยใจเราไม่ให้เป็นทุกข์ในบางอย่างเนี่ยสถานการณ์เหมือนกันแต่บางคนเป็นทุกข์มากแต่บางคนเนี่เป็นปกติมากอันนี้ละ่ะมันขึ้นอยู่กับภูมิจิตภุมมธรรมของแต่ละคนเช่นเดียวกัการปฏิบัติการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะว่าไปแล้วก็คือการช่วยตัวเองสาระของการปฏิบัติธรรมคือการช่วยตัวเอง หรืเพราะช่วยจิต ช, จนนช่วยใจไม่ให้เป็นทุกข์อันนี้สำคัญมากเลยช่วยใจไม่ให้เป็นทุกข์การปฏิบัติทำเพื่อเพื่อรักษาใจไม่ต้องเป็นทุกข์ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมจะเป็นอย่างไรใจก็ไม่เป็นทุกข์แม้แต่ร่างกายเราจะเป็นยังไงใจก็ไม่เป็นทุกข์ถ้าไม่เป็นทุกข์เราก็มันก็จบจบเรื่องของชีวิตเพราะฉะนั้น การปฏิบัติธรรมคือการช่วยตัวเองไม่ให้เป็นทุกข์ต้องช่วยตัวเองปฏิบัติธรรมไม่มีใครช่วยเราได้เราช่วยใครปฏิบัติไม่ได้หรือปฏิบัติแทนใครไม่ได้ใครก็ปฏิบัติแทนตัวเราไม่ได้ธรรมะเนี่ยใครทําใครได้เป็นของเฉพาะตนคนอื่นเป็นเพียงแค่ผู้ที่ให้แง่คิดให้กำลังใจแล้วแนวคําสอนทั้งหมดในพุทธศาสนาเนี่ย ให้พึ่งตัวเองทั้งนั้นให้ช่วยตัวเองหลักทาคำสอนในทางพุทธศาสนาเน้นเรื่องการช่วยตัวเองเป็นหลักอ้ อ, อนวอนนี่ไม่ใช่พนะุทธศาสนานะอธิษฐานนี่ต่างกับอ้อนวอนนะอธิษฐานให้จิตตั้งมั่นอธิษฐานบรารมีไงจิตตั้งมั่นส่วนอ้อนวอนนั้นบางทีไม่ทํานะแต่ขอให้ได้ <c oughs> ซึ่งไม่ใช่แนวทางของพุทธศาสนาสาระสาคัญก็คือมีเรื่องเดียวสสติเนี่ย จะช่วยตัวเองได้ต้องอาศัยศรัทธาใครปฏิบัติแบบไม่มีศรัทธาเนี่ยไปยไม่รอดต้องมีศรัทธาเป็นพื้นฐานเราเชื่อมั่นในสิ่งใดเราก็จะขวนขวาย ห, หาสิ่งนั้นมาให้ได้เนี่ยเกิดจากความเชื่อมั่นคือศรัทธาเดี๋ยวเมื่อเกิดความขยันก็ขยันจรลสติให้ต่อเนื่องเท่านั้นเองเนี่ยสาระของนักปฏิบัติคือมีศรัทธาแล้วก็ขยัน จะรู้สติให้ต่อเนื่องเข้าให้ถึงความรู้สึกตัวให้ได้ปฏิบัติเข้าให้ถึงความรู้สึกตัวให้ถึงฐานของจิตคือความรู้สึกตัวเนี่ยจิตเดิมแท้คือรู้สึกฐานที่แท้ของจิตคือรู้สึกถ้ารู้สึกแล้วมีการปรุงแต่งไม่ใช่จิตแท้ๆอันนั้นมันเป็นอาการของจิตคือการปรุงแต่งจิตคือธรรมะที่รู้สึก เรื่งการเจริญสติเข้าถึงตัวรู้สึกรู้สึกรุนๆนปรสยาการปรุงแต่งเคลื่อนไหวแต่ละครั้งให้รู้สึกจบแหละก้าวขาแต่ละก้าวแต่ละครั้งแต่ละก้าวให้รู้สึกก็จบไปในตัวหายใจเข้ารู้สึกก็จบหายจจออกรู้สึกก็จบบางคนสงสัยปฏิบัติแล้วไม่เห็นได้อะไรเลยมันได้เกินได้แล้วนะ แค่พลิกมือแล้วก็รู้สึกเนี่ยมันได้แล้วนะการไปดวดไม่แค่เนี้ยพลิกมือแล้วก็รู้สึกโอได้แล้วแต่ต้องได้ทําบ่อยๆให้ต่อเนื่องนานๆมันจึงจะสมบูรณ์ค่อยๆเก็บเกี่ยวเก็บคะแนนความรู้สึกแต่ละขณะขณะขณะเก็บคะแนนไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวต้องคะแน น, นเต็มอย่าใจร้อนกายเคลื่อนไหวรู้สึกเวลาจิตมันคิดมันนึกรู้สึกในความคิดก็ได้แล้ว แต่เราไปสรุปการได้นั้นต้องถึงที่สุดเลยเราจะเดินไปปากซอยเนี่ยเราต้องเดินหลายก้าวจึงจะถึงเดินก้าวเดียวใจถึงเลยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นั่นต้องสะสมการก้าวแต่ละก้าวแต่ละก้าวไม่ต้องหวังว่าจะถึงเมื่อไหร่การถึงมันก็เกิดขึ้นเองได้เมื่อเราเดินไปแต่ละก้าวแต่ละก้าวเพราะนั้นเวลาเราเคลื่อนไหวไกายครั้งหนึ่งรู้สึกครั้งหนึ่งก็ได้แล้วสะสมไปแค่เนี้ ทำเรื่อยๆให้รู้เฉยๆอย่างนี้แหละรู้ใ้ต่อเนื่องอย่าลืมรู้มันหลงไปมันเผลอไปก็รู้ใหม่อย่าลืมรู้สึกกันแล้วกันรู้เท่าที่เรารู้ได้การปฏิบัติถ้ารู้งี้เรื่อยๆเนี่ยรู้เฉยๆเนี่ยต่อไปมันจะเข้าถึงฐานแท้ของจิตคือรู้เฉยๆเป็นปกติร่างกายทุกคนต้องมีการเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวแต่ละครั้งอย่าเคลื่อนไหวฟรีๆอย่ากระพริบตาฟรีๆ ให้เติมความรู้สึกเราไปด้วยเราจะได้ไม่ขาดทุนคิดแต่ละครั้งก็อยากคิดฟรีๆคิดจบแล้วให้มันรู้สึกด้วยเวลามันเกิดความทุกข์เกิดความโกรธอยากก่าโกรธฟรีๆอย่าทุกข์ฟรีๆมันเสียประโยชน์ให้รู้สึกได้ต่อไปเนะี่ยความรู้สึกมันก็จะเต็มเต็มเต็มอารมณ์ต่างๆมันก็จะลดน้อยลงไปเองระวังนะทำํำนานๆจะหาอารมณ์ไม่เจอจะหาความคิดไม่เจอกลายเป็นคนคิดเกียดคิดแต่ไม่คิดเกียดรู้สึก มันเป็นไปได้แต่การรู้สึกเนี่ยเมื่อรู้สึกตัวแล้วรู้และผ่านเลยอย่าไปติดในสิ่งที่รู้อย่าไปจิตในตัวรู้อย่าไปติดในสิ่งที่ถูกรู้รู้สึกแล้วผ่านไปเลยเนี่ยจิตมันจะผ่อนคลายเห็นไหมง่ายนิดเดียวไอ้เราเป็นทุกข์มันเครียดเพราะว่ารู้แล้วอะไรสงสัยวิพากษ์วิจารณาเหตุหาผลมันไม่ผ่านจิตก็จะเครียดยิ่งหาเหตุหาผลเอาถูกเอาผิดแล้วก็ มันก็ยิ่งปลุงแต่งไม่ผ่านเรารู้อะไรแล้วก็ผ่านไปเลยรู้แล้วผ่านไปเลยอย่าไปติดในสิ่งที่รู้นั้นจิตมันก็จะผ่อนคลายและเราจะรู้ <c oughs> ไปทำไมสงสัย <c oughs> เราจะรู้สึกตัวไปทาไม <c oughs> ก็รู้เพื่อป้องกันความหลงนทุกครั้งที่รู้สึกเนี่ยความหลงมันก็หายไปถ้าไม่รู้สึกตัวความหลงก็เข้าแท้สองสภาวะเนี่ยมันรอกันอยู่ถ้ารู้แล้วมันก็จะไม่เกิดความหลง รู้ต่อเนื่องกันนานๆจิตมันจะตื่นเรียกตื่นรู้มันก็จะเข้าถึงตัวความรู้สึกตัวแล้วนั้นการเจริญสติเนี่ยก็เพื่อทําให้จิตมันตื่นตื่นออกมาจากความหลงตื่นออกมาจากความง่วงตื่นออกมาจากความคิดพอตื่นแล้วมันก็จะเกิดปัญญามันจะเห็นมันจะแยกรูปแยกนามแยกจิตออกจากอารมณ์แต่ก่อนนี้อารมณ์กับจิตเนี่ยรวมเป็นหนึ่งเดียว แตาพอจาระสติให้ต่อนเนื่องอ่จิตมันตื่นออกจากอารมณ์ไม่หนีไปไหนก็เห็นอารมณ์พเพลนแล้วอารมณ์ก็จะดับไปเห็นความไม่มีตัวตนของกายของจิตของอารมณ์ใครเจาระสติแบบนี้มันก็ต้องเห็นแบบนี้แหละมันเป็นทางเดียวกันคนที่ทําถูกต้องเนี่ยจะสังเกต ด, ดูนะจิตมันจะผ่อนคลายจะไม่เคร่งเครียดมันจะมีความเบิกบานจะขยันทําแบบไม่อยากจะเลิกขยันทํา รู้สึกตัวเมื่อไหร่นึกขึ้นได้ก็จะรู้สึกทันทีเลยเป็นไปเองแต่คนที่ทำไม่ถูกต้องนี่จะเกลียดจะสงสัยจะคิดจะขี้เกียจเจ๊จ่ายหารเรื่องจะไม่ปฏิบัติมันเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายด้วยกิเลสซึ่งเ่านี่ยแะมันรู้ได้เฉพาะตอนอันนี้สลหรับคนที่ไม่มีรูปแบบนะส่วนที่คนที่มีรูปแบบนี่ก็ถือว่าดีรูปแบบนี่จเป็นนะ จำเป็นมาสสำหรับผู้ที่ฝึกใหม่ๆอาศัยรูปแบบรูปแบบเนี่ยดีที่ว่ามันช่วยทำให้การปฏิบัติเนี่ยต่อเนื่องกันได้นานรูปแบบทำให้เกิดการต่อเนื่องแล้วก็ระวังจิตแม่มันเฉยใช้ไปกับกิเลสรูปแบบทำให้เกิดระเบียบในการปฏิบัติคาว่ารูปแบบเนี่ยก็คือการกระทำรูปแบบที่เราตั้งขึ้นมาอย่างเช่น ลมหายใจก็เป็นรูปแบบแล้วก็การเคลื่อนไหวในหลวงพ่อเทียนเนี่ยการเคลื่อนไหวเนี่ยการพลิกมือยกมือสิทธิจังหวะเนี่ยก็ถือว่าเป็นรูปแบบรูปแบบเอาไว้เพื่อสติเนี่ยระลึกรู้เอาไว้เป็นที่เกาะเป็นที่อยู่ที่รู้ที่อาศัยเป็นเครื่องหมายให้สติให้จิตเนี่ยไม่ได้สังเกตคาว่ารูปแบบนี่อย่าเข้าไปติดนะถ้าติดมันก็ยังทาให้เราหลงได้ รูปแบบมีไว้ให้อาศัยและลึกรู้เท่านั้นอย่าเข้าไปติดเป็นเพียงนิมิตเป็นเครื่องหมายอย่าเข้าไปอยู่แต่เป็นเพียงเครื่องอาศัยรู้เหมือนอย่างกับคนที่ขับรถเนี่ยก็จะมีเส้นขอบเส้นกลางเส้นขาวเอาไว้สังเกตดูถ้าเข้าไปวิ่งคล่อมเส้นมันก็ผิดกฎจราจร อ, อันตรายหรือไปเพ่งที่เส้นก็ไม่ใช่เพียงแค่สังเกตดูเป็นเครื่องหมายเป็นนิมิตต น, นั่นเอง เราจะได้ขับรถไปข้างหน้ารูปแบบของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันการยกมือสิบี่จังหวะก็ไว้สังเกตสังเกตรู้ไม่ได้เข้าไปอยู่สังเกตรู้กับการเคลื่อนไหวเนี่ยคือรูปแบบมีประโยชน์ทำให้เกิดการปฏิบัติได้ต่อเนื่องรูปแบบทำให้เกิดการต่อเนื่องที่สำคัญก็คือถ้าขาดรูปแบบเนี่ยจิตมันก็เฉยฉยไปตามจากิเลส บางทียาติธําบางท่านมาคุยว่าเขาเดินจงกลมอยู่ที่บ้านเดินอยู่ที่หน้าห้องน้ําขณะเดินจงกลมอยู่กะตั้งใจว่าหนึ่งชั่วโมงเดินจงกลมเสร็จก็จะนอนหนึ่งชั่วโมงพอเริ่มโดนได้สักเที่ยวเดียวนั่นแหะจิตเริ่มเฉื่ยใแล้วได้ยินเสียงน้ําหยดแมแม่ในห้องน้ําเดินออกจากลานจงกลมไปปิดน้ําแล้วเข้ามาเดินใหม่ นึกขึ้นได้อ้าวเนี่มันหลงไปปิดนานแล้วมาลุยตัวอทีก็มาเดินจงกรมต่อรอบที่สองสังเกตไหมปิดมันชอบเฉยเฉยคือปัญหาเรื่องยทับนอกจากการจระเข้สติมันจะขยันตอนนั้นอ่ะอีตอนปฏิบัติธรรมเนี่ยมันขยันเรื่องนู้นก็ยังไม่ทํำอันี้ก็ต้องทําตอนที่ไม่เดินจงกรมไม่ได้คิดหรอกแต่เดินจงกรมแล้วคิดอันนู้นก็จะต้องทําแล้วก็เผลอไปทําก็เรื่องนิดหน่อยบที่ไม่น่าทํามันเดินไปเปิดตู้เย็นแล้วก็ปิดนะแล้วกลับมาเดินจงกรมต่อก็มีนะ ไม่รู้ไปเปิดทาไมนี่ขนาดมีรูปแบบนะแล้วผมก็เคยขนาผมไปไม่ได้นะนอนอยู่บนเตียงครูบาอาจารย์ให้กรรมาฐานมาก็นอนทํานอนพลิกมือรู้สึกตัวก็ทํำท่าจะนิ่งดีหรอหันไปทางหน้าต่างมองหน้าต่างจิตส่งออกเออหน้าต่างนี่มันสามบานเปิดไม่เท่ากันไอ้บานกลางนี่มันเปิดน้อยหน่อยส่งไปแล้วนะ พลิกตัวพยายามดึงหน้าต่างให้พอดีกันไปดึงมาได้สต่นอนพลิกมือมันเข้ า, าลึกเกินไปแล้วเนี่ยมันต้องออกไปหน่อยจะเสมอกันเอา้าพลิกตัวไปดึงอีกแล้วก็รีบมาปฏิบัติต่อกลัวจะไม่ได้ปฏิบัติดึงมาครั้งที่สองคร้งสามดูเอ๊สามบาล น, นี่บานกลางมันตรงไอ้บานนู่นมันไม่เท่ากันมันรุ่นวา ย, ยกับหน้าต่างต้องนานจึงรรลตัวว่าอ๋อนี่เราเผลอเพราะโดยธรรมชาติของจิตเราเนี่ยมันไม่ชอบทําอะไรซ้ๆ พอทำอะไรซ้ำๆนี่มันจะเบื่อแล้วหาทางเลิกหาทางออกนะสังเกตไหมกิเลสมันไม่ชอบไม่ชอบอะไรซ้ำๆเดิมๆมันจะเปลี่ยนเนี่ยขณะผมลุกไม่ได้นะยังหาเรื่องขยับไปขยับมาหาเรื่องทําอยู่นะนั่นแหละเนี่ยมันเสียเวลาเพราะว่าจิตนี่มันถูกปรุงแต่งปรุงแต่งให้ทําตามใจกิเลสเพราะฉะนั้นรูปแบบการปฏิบัติมันช่วยมันช่วยรักษาการปฏิบัติได้ต่อเนื่องได้นานไม่เฉยใจตามกิเลสได้ง่าย ไม่จะไปสักครั้งสงครั้งก็เริ่มรู้แล้วอันนี้รูปแบบนะถ้าคนที่ไม่ได้อาศัยรูปแบบเนี่ยเห็นไหมบางทีเราหลงไม่ตั้งนานถ้ายังไม่ชํานาญก็ลองอาศัยรูปแบบไปก่อนแล้วต่อไปแล้วค่อยวางมันรูปแบบก็ติดมันไม่ได้ค่อยๆวางแล้วลองทําดูโดยที่ไม่ต้องใช้รูปแบบเพราะฉะนั้นช่วยได้เนี่ยหลายคนมาจิตใจพุ้งร้างก็ลองทําในรูปแบบดูหลายคนพอคิดว่าสงสัยว่ากลัวเราจะไม่ไปฏิแบบัติก็ลองทําในรูปแบบดูบางทีมันเกิดประโยชน์ แม้แต่ความง่วงนะสังเกตดูดีนะความง่วงเนี่ยเวลามันเกิดความง่วงเนี่ยเราช่วยตัวเองนะอย่าเพิ่งหยุดทําไปก่อนไม่ใช่ง่วงแล้วก็นอนอย่าเพิ่งนะรู้ว่ามันง่วงแล้วนะทำไปก่อนลองฝืนดูก่อนมันมีความง่วงอยู่สองแบบง่วงทางกายกับง่วงทางจิตเคยสังเกตไหมไอ้ง่วงทางจิตเนี่ยมันอยากง่วงทางกายมันต้องการร่างกายต้องการ ทังง่วงทางกายนี่ยลองฝืนทําดูนะยิ่งทําบางทีมันมึนตึบล่างหน้าล่างตาก็แล้วเคลื่อนไหวเร็วๆก็แล้วมันก็ยังไม่หายง่วงลืมตาโตๆก็มันยังไม่หายง่วงบางทีออกไปทํางานทํางานก็ยังไม่หายง่วงแสดงว่ามันไม่ไหวแล้วร่างกายมันต้องการนะนิงง่วงทางกายแต่ทั้งง่วงทางจิตเนี่ยจิตนี่เวลาเราเจอสติสังเกตดูถึงจุดๆหนึ่งมันจะสงบ พอจิตสงบแป๊บเนี่ยถ้าขาดสติตรงนั้นนะนิวรความง่วงจะครอบงำคือความซึมเคลิ้มจะเริ่มเข้าครอบงำแล้วอันนี้เป็นตัวกิเลสแล้วสักเก้ดูดีมันอยากจะหยุดมันจะขี้เกียจคือมันขี้เกียจอันนี้ง่วงทางจิตมันขี้เกียจแล้วแต่ถ้าฝืนทําต่อไปเนี่ยมันจะผ่านได้ง่วงทางจิตคือกิเลสเนี่ยมันผ่านได้ถ้าฝืนทําต่อไปแต่ทางกายเนี่ยมันไม่ไหวแล้ว มันต้องให้เขาพักเคยไปเข้าคอร์สปฏิบัติไปสังเกตกราร์พอตอนบ่ายๆเนี่ยมันก็จะง่วงพระครูบาอาจารย์ก็สอนว่าอา้าวถ้าใครง่วงเอานอนท่าศีหาสายญาตให้นอนท่าศีหาสายญาตเอาทุกคนลงนอนแบบพระนอนนะตะแคงขวาตอนแรกก็ทําท่าศีหาสายญาต ด, ดีหรอกพเอเผลอหลับปับ๊บงายทองเป็นผีไรญาตไปเลย ซึ่งสมัยนี้เนี่ยคงจะทําไม่ได้หรอกนะถ้าการปฏิบัตินี่มันง่วงมากๆมันหหวจริงเนี่ยพักสักนีบหนึ่งเอาให้เ้าหน่อยหนึงนิบเดียวแล้วตื่นมามาสร้างความเพียรต่อก็จะเป็นประโยชน์นะสำหรับผู้สูงอายุและผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอให้โอกาสตัวหน่อยเมื่อฝืนแล้วเนี่ยทาไมไหวก็ต้องพักเพราะอะไรเพราะเวลาที่เราปฏิบัตินเนี่ยถ้ามัน ง, ง่วงมันทิมสติมันก็ไม่ตื่นแล้วมันก็ลาคาญและทำให้ท้อถอยความเพียร ถลับสักงีบหนึ่งตื่นมาแล้วปฏิบัติตามทีมันก็ปลงสบายใจได้เหมือนกันนะก็ลองดูแล้วแต่โอกาสแต่อย่าลืมว่าต้องฝืนดูก่อนลองฝืนด้วยก่อนทั้งง่วงทั้งจิตมันขี้เกียจแล้วก็เดี๋ยวมันจะผ่านไปได้ความง่วงไม่อยากความหิวอะต้องดูให้รู้ว่ามันเป็นทางกายหรือทางจิตอย่างเช่นความหิวเนี่ยมันหิวทางกายหรือความอยากทางจิต ถือทางกายเนี่ยการกินนี่มันไม่ยากหรอกอะไรก็ได้ที่มันกินได้มันก็อิ่มอย่างนั้นแต่ถ้าอยากทางจิตแล้วก็มันต้องมีเงื่อนไขามากมายใช่ไหมมันมีเงื่อนไขนต้องรู้ทันว่าอันนี้ร่างกายต้องการหรือจิตใจต้องการคือการปฏิบัติธรรมเนี่ยจะต้องรู้เท่าทันกายเท่าทันใจเราเรื่องของกายแค่ไหนจิตจะพอดีสําหรับเราเนี่ยเราต้องเรียนรู้ต้องเข้าใจแม้แต่ทุกขเวลาเนี่ยอย่างเวลานั่งเนี่ยเห็นไหม มันคนต้องขยับไปขยับมาก็เป็นเรื่องธรรมดานั่นหคือร่างกายร่างกายมันต้องเปลี่ยนต้องแก้ไขร่างกายต้องแก้ไขต้องช่วยเหลือก็ทุกเวทนานี่สำคัญนะต้องรู้ว่าเราเปลี่ยนเพราะอะไรเปลี่ยนเพราะจิตมันอยากเปลี่ยนหรือทุกทางกายมันบีบคั้นอย่าเปลีย่ยนเพราะความอยากถ้าเปลี่ยนเพราะความอยากแล้วก็ทาตามกิเลสทาตามอารมณ์ถ้าเปลี่ยนเพราะว่าอ๋อร่างกายต้องการสมควรเปลี่ยน เปลี่ยนดสติเนี่ยอันนี้คือการปฏิบัติธรรมต้องทำด้วยตัวของเราเองอย่าทำเพราะมีอารมณ์มาบีบคั้นอยู่เพราะชอบไปเพราะเกลียดนั่นเราก็แพ้อารมณ์ตัวเองเมื่อสมควรอยู่ก็อยู่เมื่อสมควรไปก็ไปด้วยตัวของเราเองไม่ใช่มีอารมณ์มันํำหน้าบีบคั้นเราต้องบังคับให้เราไปไม่ใช่ต้องไปด้วยตัวของเราเองอันนี้คือการปฏิบัติธรรมรู้เท่าทันจิตก็ตรงนี้ลนะ่ะ ก็เวลามันเกิดทุกขเวทนาลองดูเวทนาดูบ้างสิเคยดูเวทนาไหมทุกขเวทนาทางกายดูแลสนุกนะเกิดปัญญาหลายคนสำหรับคนที่มีโรคประจำตัวคนที่ฝึกเตรียมตัวเอาไว้เวลาไปไหนไม่ได้เอาทุกขเวทนาเป็นเพื่อนเป็นเครื่องรู้ไม่เป็นเครื่องอยู่นะทุกขเวทนาเป็นเครื่องรู้ดีกว่าถ้าเป็นเครื่องอยู่ก็หมดเนื้อหมดตัวไปกับเขาถ้าเป็นเครื่องรู้แล้วก็ ไม่ได้เป็นเป็นแค่ผูร้รู้ไม่ได้เข้าไปเป็นผมเนี่ยมีโรคประจําตัวจะว่าเป็นความผิดปกติของร่างกายทุกขเวทนาเนี่ยจะมีอยู่เป็นประจําอาการที่มันเน็บชาตลอดทั้งตัวอาการที่มันอึดอัดหายใจไม่ค่อยสะดวกอาการจุกแน่นเนี่ยเป็นทุกขเวทนาที่ถ้า ล, ลึกรู้เมื่ อ, อไหรนะ่แล้วก็เห็นทันทีเลยบางครั้งไม่ได้ไปดูอะไรดูทุกขเวทนาตัวเองเนี่ยทันที เห็นทันทีถ้ามารู้กายปั๊บเจอเวทนาทันทีตื้อสัตว์มากคนที่มันรักเรามันก็อยู่กับเราอย่างนี้พอลรลึกรู้ปั๊บเจอทุกขเวทนาทันทีเลยไม่ต้องเคลื่อนไหวกายไม่ต้องไปสังเกตอะไรสังเกตเวทนาตัวเองมันเกิดทันทีแต่ก่อนหงุดหงิดพยายามหายยามารักษาหาหมอรักษาทานยามันก็ไม่หายไม่หายก็ไม่เป็นไรแล้วแทนที่จะไปลังเกียจมัน เอามันเป็นเครื่องระลึกรู้ซะรู้ในเวทนามันก็เป็นฐานเวทนานุปัสนาสติปัฏฐานเหมือนกันเอาทุกขเวทนา เ, าเวทนามเป็นที่ตั้งของสติก็ดูได้ตลอดก็ลองฝึกดูได้แต่การดูเวทนาเนี่ยต้องฉลาดนะ่ต้องดูอยู่ห่างๆนะรู้อยู่ห่างรู้แบบดูดูดูแบบแยกๆเวทนาส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งนะรูปแบบแยกแยๆก็เป็นวิปัสนา ไม่ได้เข้าไปปวดไปเจ็บกับทุกขเวทนาด้วยรู้อยู่ห่างเพราะรู้ไปนานๆเนี่ยเมื่อยังกับเรากําลังรู้กําลังดูคนอื่นเป็นทุกขเวทนานะไม่ใช่เป็นตัวเราเป็นทุกขเวทนาซะแล้วเรากลายเป็นผู้ดูเวทนาเป็นสิ่งที่ถูกดูไปเห็นะ่ะมันเริ่มแยกแต่สําคัญคือต้องเข้าไปถึงความรู้สึกตัวสัก่อนมันรู้เฉยๆมันแยก เวทนาส่วนหนึ่งจิตผู้รู้ส่วนหนึ่งบางทีเห็นร่างกายนี่มันกระสับกระส่ายแต่จิตใจไม่ได้กระสับกระส่ายจิตตั้งมั่นรู้อยู่เฉยแต่ร่างกายนี่กระสับกระส่ายมากก็เห็นอยู่แต่ว่าการรู้เนี่ยต้องรู้เฉยเฉยนะรู้แบบยอมรับไม่ต่อต้านไม่ว่าอะไรจะเจ็บจะปวดจะไม่ว่าอะไรรู้เฉยจะรู้อยู่งี้แหละ มันก็ไปในโคโลคั่วเวทนาก็ทาหน้าที่แสดงตัวไปจิตผู้รู้ก็ทำหน้าที่รู้ผู้สังเกตเมื่อจิตมันรู้จักยอมรับจิตมันก็ผ่อนคลายมันก็สงบไปเองแล้วทุกขเวทนาทางกายที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เบาลงไม่ทุรนทุรายสังเกตไหมเวลาเราปวดศีรษะถ้าเราไปงุนหงิดเนี่ยมันยิ่งปวดหนักปวดฟันยิ่งงุนหงิดยิ่งปวดหนักแต่ถ้าเรารู้เฉยเฉยเนี่ยมันเบาลงถ้าเรายิ้มปวดดีเนาะ มันก็ทําให้ความทรมารมันลดลงไหนใครเคยโดนหมอนวดนวดมั้ยหมอนวดจับเส้นอ่ะหมถึงเส้นเลยนะจับถ้าจับป้าเราล่องโอยเนี่ยหมอนวดจับเเลยถ้าเถูกเส้นกดใหญ่เลยเราทํำเฉยๆฤทธิทนไม่ได้ทํายิ้มยิ้มเนี่ ย, ย, เ, ยเดี๋ยวเขาก็ผ่านเลยเทคนิคในการไม่ถูกนวดนานถ้ายิ่งกดล่องโอยเนี่ยหมายถูกี้เลยกดใหญ่เลยถ้าเราทํำเฉยๆยิ้มยิ้มมันเจ็บดีนอ้อยเดี๋ยวเขาก็ผ่านเลยใจแล้วก็เหมือนกัน เมื่อเจอทุกขเวทนายิ้มย้ ม, ยมอยู่ข้างในบ้างสิมันทําให้ทุกขเวทนาลดลงไปได้ใจก็ดีไหมมันเกิดปัญญาทุกขเนี่ยสอนธรรมได้ดีมากเลยทุกเนี่ยเป็นครูสอนธรรมเลยเพราะอย่างน้อยเวลาเราเกิดความทุกขเวทนาขึ้นมาเนี่ยจิตมันจะดิน้นมันจะกระตือหรือล้นอย่างงี้ไม่มีทางง่วงคนที่ขี้ง่วงเนี่ยลองนั่งนานๆเนี่ยนั่งไปปวดนานเนี่ ย, ม, นานานนยมันง่วงไม่ได้หรอก มันกระตุ้นจิตไม่ให้ง่วงได้นะทุกเวทนาเนี่ยกระตุ้นจิตไม่ให้ง่วงและทำให้เกิดความอดทนมีสติและก็มีขันติมันตื่นรู้ในทุกได้เลยสติตื่นรู้ในทุกไอเดี๋ยวมันก็เปิดปัญญานะปัญญาเห็นอะไรมันเห็นความคิดต่อจากทุกเวทนาคนที่หาจิตไม่เจอเนี่ยไม่ยากแล้วลองให้มันเกิดความทุกเวทนาขึ้นมาแล้วสังเกตดูเถอะเดี๋ยวจะเห็นจิตที่มันคิดปรุงแต่ง จิตที่มันคิดปรุงแต่งต่อจากทุกขเวทนาเนี่ยมันชัดเจนมากมันดิ้นรนมันอยากแก้ปัญหาอยากแก้ไขอยากให้มันหายบางทีไม่อยากเกิดมันกะตื่นรนที่จะออกจากทุกขเวทนาจิตมันคิดสารพัดปรุงแต่งบางทีมันน้อยอกน้อยใจบางทีโทษคนโน้นคนนี้ปุ๊ของเราแท้แต่ไปโทษคนอื่นสังเกตดูนะคนที่อยากเห็นจิตที่มันคิดเนี่ยดูต่อจากทุกขเวทนาก็ได้มันจะชัดเจนเลย มันเกิดปัญญายเห็นความคิดโดยที่เราไม่ตั้งใจคิดหลวงพ่อคำเขียนท่านก็สอนเสมอว่าเวลาจิตสติดูกายเคลื่อนไหวให้ดูไปเรื่อยๆดูกายไปเรื่อยๆเรื่องความคิดเรื่องจิตอย่าไปหาดูมันเดี๋ยวมันก็คิดเราดูมาเองจะเห็นความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดเกิดขึ้นมาขณะที่เราดูกายอยู่ความคิดที่ไม่ตั้งใจคิดท่านบอกว่ามันเป็นลักคิดลักคิด ที่หลวงพ่ อ, พอพเขียนเทก็คือความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดเห็นความที่เป็นรักคิดขึ้นมาเมื่อรู้กายไปเรื่อยเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นความที่เป็นรักคิดขึ้นมาเห็นลักคิดโดยที่ไม่ตั้งใจคิดมันก็เป็นปัญญาได้การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราต้องช่วยตัวเองอย่างน้อยทุกทางกายเนี่ยเรื่องของร่างกายทั้งหมดเนี่ยเราต้องช่วยเหลือมันร่างกายต้องช่วยเหลือนะต้องเข้าไปเกี่ยวข้อง ต้องเข้าไปแก้ไขเพราะร่างกายเนี่ยนะเขาซื่อๆตรงๆ <afin> เขาบอกว่าทุกตรงๆเขาบอกมาแต่เรื่องของจิตเนี่ย <S 2> <S 2> ifically, เมื่อรู้แล้วก็ต้องละมันเรื่องของจิตเป็นเรื่องของกิเลสที่มันเข้ามาปรุงแท่งรู้ต้องล ะ, ละเรื่องของกายต้องช่วยเหลือแต่เรื่องของจิตมันต้องละเพราะจิตเนี่ยมันชอบเฉยๆตามใจกิเลสต้องละมันต้องรู้ให้ทันตัวเราและสิ่งเหล่านี้ใครจะบอกเราได้ เราต้องปฏิบัติตัวเองต้องช่วยตัวเองนักปฏิบัติธรรมเนี่ยอย่าหวังพึ่งคนอื่นต้องพึ่งตัวเองให้มากเวลาเจอปัญหาเจออุปสรรคเราต้องฝึกนิสัยที่จะแก้ปัญหาแล้วก็ฝ่าพ้นอุปสรรคด้วยตัวของเราเองมันจึงจะได้ที่พึ่งดีแท้จริงเมื่อแก้ปัญหาได้แล้วมันจะเกิดประสบการณ์ชีวิตจะได้ความรู้ใหม่จากการแก้ปัญหาตัวเราเอง มันต้องฝึกแก้ปัญหาตัวเราเองครูบาอาจารย์เป็นเพียงผู้ที่ให้กำลังใจให้แง่คิดตอนนั้นเองไปหวังพึ่งท่านมากไม่ได้หรอกต้องพึ่งตัวเองจึงจะได้พึ่งดีแท้จริงบางครั้งเวลาเราเกิดปัญหาเราไปหาครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์รูปเดียวองค์เดียวก็พอว่ามันดีไปหาหลายท่านอันนั้นก็ว่าอย่างนั้นท่านนี้ก็ว่าอย่างนี้ที่จริงท่านพูดเนี่ยในความหมายเดียวกันทั้งหมดเลย แต่อาจจะใช้วิธีการพูดที่ต่างกันเรารู้ไม่ทันก็เอาคำพูดนั้นมาตีความขัดแย้งกับใจเราวุ่นวายใจเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติเนี่ยต้องอย่าติดในรูปแบบอย่าติดในสถานที่แล้วก็อย่าติดในครูบาอาจารย์ด้วยมันทาให้เราคิดสับสนหลวงพ่อเทียนเนี่ยท่านบอกว่าความสงบคือการหยุดหยุดแสวงหาครูบาอาจารย์ จิตจึงจะสงบผมยังชอบบทธรรมคำกรนของท่านอาจารย์จี้กงได้ทามาท่องให้ฟังเออดีเนี่ยคำกรบทนี้นี่น่าจะมาเผยแผ่พราจารบอกว่าศึกษาธรรมมากครูก็มากความพยายามศึกษาจิตสํมฤทธิผลรู้เท่าทันให้ได้ซึ่งใจตนความสับสนก็มาลายหายไปเอง ศึกษาธรรมมากที่ก็มากคิดไม่เป็นหนึ่งประจักจิตคิดพลิกผันศึกษาธรรมาเรียนรู้ใจให้เท่าทันทุกๆกวันมีใจเป็นอาจารย์อาจารย์ของเราเนี่ยมันอยู่ที่กายที่ใจเราการปฏิบัติเนี่ยมันก็ทุ่พึ่งตัวเราเราจะไปหาอาจารย์ท่านใดก็ตามก็ชี้มาที่ทำที่ตัวเรานั่นแหละจะไปปฏิบัติธรรมที่ไหนก็ตามก็ต้องปฏิบัติที่ตัวเรา เพราะธรรมะเนี่ยอยู่ที่ตัวเราพึ่งตัวเราจนกระทั่งพูดในใจว่าเออมันรับรองตัวเองได้ว่าจะไม่กลับไปเป็นทุกข์เหมือนเดิมมันต้องถึงขนาดนั้นนะนากปฏิบัติ